พอนอบน้อมสุขคุณพระตนตรยโอกาสพระอาจารย์ไพศาลลวมพ่อคมพระอาจารย์ดงวิทย์เพื่อนสัตว ม, มิ ท, ทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านก็นั่งสบายๆเนะเาะเมื่อกี้เราเราก็ได้สวดบทปัจฉิมโอวาทก็คือเป็นพระวาทในคำกุท้ายของพระเจ้าซึ่งขณะนั้นท่านก็กำลังจะเข้าสู่ปรินิพพาน ท่านก็ให้โอวาสนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือ น, อนใจแก่พระภิกษุสงฆ์และหลังนั้นท่านก็ไม่ได้กล่าวคําใดๆอีกเนาะก็แสดงว่าเป็นคําคที่มีความสําคัญมากคุณพระลุงได้ทรงตรัสว่ า, าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อันนี้ถ้าจริงๆแล้วคำนี้มีประเด็นกว้างขวางมากนะแต่แต่ถ้าเราจะสรุปให้สั้นๆก็คือว่าขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็กำลังะจะปฏินใน่านแล้วเพราะฉะนั้นพระพิษสงซึ่งมาอายุรอบๆนั้นบางบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมให้เต็มที่คือยังทำไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ยังทาให้ใจนะ ไม่หมดจากอาสวะกิเลส ท, ทั้งหลายเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยชีบอกว่าเนี่ยสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็คือทุกๆคนนี่แหละมีความเสื่อมก็คือเข้าสู่ความตายเข้าสู่ความที่เรียกว่าความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีใครจะหนีพ้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นการปรอบโยนแก่พระพิกษุสงค์ที่ว่า อาจจะได้ไม่ไม่มีความเศร้าโศกมากเพราะใครๆก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้แต่ท่านทั้งหลายก็จะต้องวันหนึ่งก็ต้องเป็นเช่นนี้เหมือนกันนะก็คือเข้าสู่ความตายเหมือนกันแล้วก็บอกว่าให้ยังประโยชน์ตนรับประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดก็คือเราต้องทําประโยชน์ตัวเราเองในขั้นแรกนะให้ถึงพร้อมนั่นะคือทําให้ถึงเป็นพระหารัน การเป็นที่สุดแห่งทุกขนะ์ด้วยความไม่ประมาทนะความไม่ประมาทก็ตีความกว้างขวางนะความไม่มากก็เช่น <c oughs> เราคิดว่าเรายังเป็นคนหนุ่มคนสาวนะนี่ก็เป็นความประมาทนะคิดว่ายังไม่ตายนี่ก็เป็นความประมาทคิดว่าเรายังแข็งแรงนี่ก็เป็นความประมาทนะหรือคิดว่าเราร อ, อไว้นาคตนะใหแ้แก่ก่อนนะอายุมากแล้วก็ค่อยปฏิบัติธรรม หรือค่อยเข้าวัดอันนี้ก็เป็นความประมาทนะหรือเราไม่มีโครคภัยไข้เจ็บนะเราก็เป็นความประมาทนะเพราะมันไม่รู้ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บเมื่อไหร่แล้วเราจะถึงกับความตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไมไม่รู้ว่าจะตายวันไหนไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะตายอย่างไรไม่รู้ว่าอีกนาทีหนึ่งข้างหน้าจะตายหรือเปล่า นี่นี่ก็เป็นความประมาทเนาะโดยเพราะเรื่องความตายนี้พระเจ้าจะเน้นมากในเรื่องของมรณสติพระพุทธเจ้าได้เคยถามพระนพน์ว่าดูกะละอนันทะถ้านระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระนพน์ก็ตอบว่าระลึกถึงถึงความตายวันละเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าบอกว่าน้อยเกินไปตถาคนระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเนาะ ในขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยสแสดงว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่าท่านต้องการที่จะเน้นให้ให้ให้ผู้ที่ระลึกตรงนี้อยู่บ่อยๆนะจะได้ไม่ประมาทเพราะถ้าเราตราบใดที่เราไม่ได้ระลึกถึงความตายเราก็จะมารประมาทไปเมื่อนั้นนะพอเราประมาทปั๊บเราก็จะไม่ไม่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเรานะประโยชน์ขั้นต้น ขั้นกลางและขั้นที่สุดก็คือความพ้นทุกนั่นเองนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรง <c oughs> ชี้ไว้ว่านี่แหละคือความที่เราประมาทเมื่อเราประมาทแล้วเราก็จะไม่ทำ <c oughs> ที่จะให้เรา <c oughs> เกิดคุณความดีทั้งหลายเพื่อที่จะหนทางแห่งความพน้นทะุกนะอันนี้นะเป็นปัจชิมโ อ, อวาทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ไว้นะคราวนี้เราเราสามารถที่จะเดินตามท่านได้ไหมนะ การที่ท่านมาชี้ตรงนี้ก็หมายความว่าเราเดินในมรรคมีองคนะ์แปดนั่นก็ได้แก่ศนะีลสติสมาธิปัญญานั่นเองอันเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกขนะ์การเดินในตามท่านเราในขั้นแรกนะในลักษณะที่ว่าเราก็ต้องมีศีลให้ได้ก่อนนะศีลเป็นเครื่องที่จะนะให้ให้ความเป็นปกติกับตัวเรานะเพราะว่าเราตราบใดที่ไม่มีศีลนะจิตเราก็จะไม่เป็นปกติเนาะ เราไปทำผิดสิ่งใดก็แล้วแต่สังคมย่อมจะลงโทษเราไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งนะอาจจะเป็นกฎหมายบ้านเมืองนะหรือว่าถูกเกลดชังจากผู้ที่อยู่รอบๆตัวเรานะถึงว่าไม่มีใครรู้แต่เราก็รู้ในใจว่าเราทำผิดไปแล้วนะเราระลึกได้ครั้งใดนะเราก็จะมีความทุกข์ครั้งนั้นนะเพราะนั้นสิ่งก็คือความเป็นปลูกติในใจของเราที่เราจะต้อง ดำเนินไปตามนั้นถึงแวมไม่มีใครรู้เห็นแต่ตัวเราเองนั่นแหละเป็นผู้ที่รู้เห็นแล้วเราก็จะมีความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆนะต่อมาก็เป็นเรื่องของสตินะสติก็เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องกลับมาเรียนรู้มาทำความเข้าใจสติเป็นการที่เรียกว่าเราตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงนะการที่เราตามรู้กายนั้นนะเป็นสิ่งที่เรา ตามรู้ได้ง่ายแล้วก็เป็นปัจจุบันธรรมนะอย่างเช่นขณะนี้นะเรานั่งอยู่เรารู้ไหมว่าเรานั่งเนาะตอนนี้บางคนว่าเออรู้นะขณะนี้กำลังนั่งแต่ถ้าก่อนที่เราจะถามนะจะรู้ไหมว่าเรากําลังนั่งนะเราก็จะไม่รู้นะส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าเรากําลังนั่งเพราะว่าเราก็จะไหลเพลิดเพลินไปในลมต่างๆไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่เนาะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ว่า <c oughs> เป็นธรรมดาของคนทั่วไปไม่ใช่เป็นเรื่องผิด แต่พวกเจ้าได้สรงชีว่านั่นแหละคือความหลงไปไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะ จ, จริงๆแล้วในชีวิตเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าเราทำด้วยความเคยชินเป็นส่วนใหญ่เราเราเดินเราเดินเราก็เราจะเดินด้วยความเคยชินมากกว่านะเราจะไม่มีเจตนานในการเดินเดินไปบางทีก็คิดไปเรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตแต่ว่าไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้กำลังทำอะไรทอะไรอยู่อันนั้นก็เป็นความหลงไป แล้วจริงๆแล้วความหลงเรานี้เราก็หลงมาแทบตลอดชีวิตแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรากําลังหลงอยู่นะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ายืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้ว่าเดินนั่งใ้รู้ว่านั่งนอนให้รู้ว่านอนก็คือกลับมารู้ในขณะปฏิุบันนี้ว่ากําลังทำอะไรอยู่นะสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นการที่เรียกว่าเรากลับมาอยู่กับตัวเราเองนะเพราะว่าถ้าเราไม่กลับมาอยู่กับปัจจุบันธรรมเราก็ไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นในกายของเรา แล้วเราก็จะลงไปนะปัจจุบันนี้นะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสภาวะความเป็นจริงจริงๆในตรงนี้ที่เราไม่ต้องไปคิดหาเราเรานั่งอยู่นะเราไม่ต้องไปคิดว่าขณะนี้กำลังนั่งแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏต่อนหน้าเราตามความเป็นจริงโดยอาศัยแค่ความรู้เท่านั้นเองนะหรือกําลังเดินก็ hadi. ไม่ต้องคิดว่าเรากำลังลังเดินแต่อย่างใดนะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วตามความเป็นจริง นะเราไม่ต้องไปคิดว่าเรากําลังเดินนะหรือเรากําลังยกมือหรือ <c oughs> หรือกําลังพลิกมือหรือกําลังกระทบนิ้วใดๆก็แล้วแต่นะเราก็ไม่ต้องคิดว่าเรากําลังยกมือแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นความเป็นจริงนั้นก็คือปัจจุบันธรรมซึ่งเราไม่ต้องอาศัยความคิดใดๆเลยนะเป็นแค่ตัวรู้เท่านั้นเป็นการออกจากความคิดมาสู่ สภาว่าแห่งความรู้ตรงๆ ร, รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้โดยไม่มีเงื่อนไขรู้โดยที่ไม่ต้องไปหาเหตุหผลแต่เป็นการรู้เฉยๆหรือรู้ซื่อๆเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ถ้าเราเมื่อวานนี้นะเราทานข้าวกับอะไรเห็นไหมเราต้องไปหาไปใช้ความคิดไปรื้อฟื้นขึ้นมาเราทําเราทานข้าวกับแกงนะกับผัดเผ็ดนะกับ น, น้ําพริกเอ่ะ กับขนมเราก็เราไปคิดแล้วว่าเราทานกับอะไรเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความคิดไม่ใช่ว่าขนาดนี้มันรู้ขึ้นมาเฉยๆนะแต่มันต้องใส่ความคิดเพราะมันไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อยู่ต่อหน้าต่อตาเรา <c oughs> หรือถ้าเย็นนี้กำลังทาอะไรนะก็ต้องใส่ความคิดเหมือนกันนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี้แต่ใส่ความคิดไปกาหนดไปมีนิมิตหมายในเบื้องหน้านั้นซึ่งยังยังมาไม่ถึงเนาะ เพราะนั้นอดีตหรืออนาคตเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความคิดแต่ปาาัจจุบันธรรมไม่ต้องอาศัยความคิดเป็นแค่ความรู้เท่านั้นเองนะเป็นรู้หรือจะเรียกว่ารู้สึกตัวหรือรู้ซื่อๆรู้เฉยๆเป็นลักษณะแค่ตัวรู้เท่านั้นเองมันออกจากความคิดได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราออกจากความคิดได้มันเป็นการที่เรียกว่าเราออกจากอาดีตหรืออนาคตซึ่งอดีตอนาคต น, น, นั้นมันจะมีความหมายหลายอย่างที่นําความสุขหรือความทุกข์มาให้เราและมันก็คือความปรุงแต่งที่มันไม่ใช่ปัจจุบัน เป็นความที่เราปรุงแต่งเข้าไปในอดีตหรืออนาคตการปรุงแต่งนั้นมันจะนําความทุกข์มาให้เราไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์แต่ว่าปัจจุบันธรรมมันไม่ได้ไปปรุงแต่งที่จะนําความสุขหรือความทุกข์มาให้เรามันจะรู้ลักษณะทิศเป็นกลางนะเป็นความโปรตีเป็นความซื่อๆเป็นความเฉยๆนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นไปปรุงแต่งเป็นความสุขหรือความทุกข์เราก็รู้ทันได้เร็วเพราะมันหลุดจากปัจจุบันไปแล้ว นะเราก็จะสามารถที่จะรู้ว่าเออสิ่งเรานี่มันหลุดจากปัจจุบันไปแล้วนะมันก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเมื่อใดที่เราไม่รู้ว่มันหลุดจากปัจจุบันเป็นความปรุงแต่งมันก็จะไม่กลับมามันก็จะไปยาวนะมันก็จะดึงเราเข้าไปสู่ดีหรืออนาคตแล้วก็ไปเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นนะเป็นความยินดีเป็นความพอใจเป็นความยึดติดนะการที่เราอไปเพลิดเพลินอ่ะมันจะเรียกว่าเป็นเวทนาก็คือความสุขหรือความทุกข์ หรือเฉยๆในตรงนั้นนะแต่ที่เห็นชัดมันจะเป็นความสุขหรือความทุกข์นี่แหละมันจะชัดเจนในตรงนั้นนะหลังนั้นก็จะเป็นตัญหาคือความยึดติดความทยานอยากความอยากได้อีกความอยากประสบอีกความอยากก็ได้ในสิ่งเหล่านั้นมากๆขึ้นไปนะหรือหลังจากนั้นแล้วก็จะเกิดอุปทานคือความยึดติดในความที่เรียกว่าตรงนั้นอ่ะเราพอใจเป็นความยึดมั่นเป็นของเรา เป็นสิ่งที่เราเรามีความพอใจเรายึดในตรงนั้นแล้วเป็นเป็นอุปทานแล้วหลังนั้นก็จะเป็นพบเป็นชาติก็ไปปรุงไปแต่งให้เรามีความสุขมีความทุกข์ให้เรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปในรมทั้งหลายอันนั้นก็เป็นการปรุงแต่งไปสู่ความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ตรงนี้เพราะว่าเรารู้ไม่ทันนะ ที่รู้ไม่ทันก็เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองปล่อยให้เขาไหลเป็นอนดีตหรือหรือว่าอนาคตนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ไปห้ามความคิดนะนะถ้าเราไปห้ามความคิดนั่นะก็เป็นความปรุงแต่งอีกแล้วเพราะนั้นเป็นการเข้าไปจัดการเข้าไปทําให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการให้เขามีสภาวะที่เป็นปกติโดยฝีมือเรานั้นก็เป็นความปรุงแต่งในการยึดติดในการไม่ปล่อยวางในการที่ไม่ให้เขาเป็นไปตาม สภาวะธรรมจริงๆที่เรียกว่าเป็นเช่นนั้นของเขาเองนะเพราะนั้นการที่เราแค่รู้เท่านั้นโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการเขาเขาจะคิดก็ไม่เป็นไรแต่คิดแล้วเขาก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นนะเมื่อก่อนเขาจะคิดไปยาวอ่าห้าเรื่องสิบเรื่องเราค่อยรู้ทันแต่ <c oughs> <c oughs> นั่นมันก็ช้าไปแล้วนะเพราะว่าเราไม่มีสติ ท, ที่จะรู้เท่าทันได้ไวนะ การที่เ ร, รู้สติมีสติใี่ได้วก็คือกลับมาอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนอาศัยอ่าพื้นฐานก็คือร่างกายเราเนี่แหละเป็นเครื่องรู้เท่านั้นเองนะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ายืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้วเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอ น, ก, น, อนก็คือกลับมาอยู่ในปัจจุบันนี้ว่ากาลังทำอะไรอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเลยทรงตัดต่อไปว่าอ่าเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังดื่มกินพูดคิด <c oughs> คู้แขนเหยียดแขน <c oughs> ก้มเงย ทรงจีวรสังฆะติอุจจาระปัสวะ <c oughs> ต่างๆเหล่านี้ก็ให้รู้ทันไปในขณะนั้นตามความเป็นจริงนะก็คือให้มีความรู้สึกตัวไปในขณะใดก็แล้วแต่ที่เรามีความเคลื่อนไหวในทางร่างกายนะไม่ว่าเราจะอาบน้ําแต่งตัวแปรงฟันล้างหน้าซักผ้าถูพื้นกวาดพื้นนะก้มเงยเหยียดแขนต่างๆใ น, นเรารู้ไปตามความเป็นจริง ในระบหล่านั้นเพราะว่าอันนี้แหละมันเป็นเครื่องอยู่ของปัจจุบันธรรมอ่ะซึ่งเราสามารถที่จะทํำได้อยู่แล้วเนาะอันนี้มันจะตรงกันข้ามที่ตรงนี้เราเราจริงๆเรามีอยู่ในชีพประจําวันของเราอยู่แล้วเพียงแต่เราทําด้วยความเคยชินมากกว่าเนาะเราอาจจะกวาดบ้านด้วยความเคยชินซักผ้าด้วยความเคยชินเพราะเราไม่ได้ไปไปคิดอะไรมันกลายเป็นอัตโนมัติไปแล้วในชีตประจาวันของเราพระเจ้าให้กลับมารู้ตรงนี้เท่านั้นเองกำลังทำอะไรอยู่กําลังซักผ้า กำลังกวาดบ้านกำลังแปลงฟันกำลังทานอาหารก็คือกลับมารู้กับปัจจุบันนั่นเองเนาะก็คือถ้าพูดให้ง่ายๆก็คือกลับมารู้กับปัจจุบันธรรมนั่นเองเพราะเราอยู่ปัจจุบันธรรมแล้วมันจะเปลี่ยนจากความเคยชินมาเป็นตัวรููแทนนะแต่ถ้าเมื่อไรที่หลุดไปนั่นแหละมันจะเป็นความหลงเพราะนัมันจะเป็นการแย่งกัน ร, ระหว่างตัวหลงและตัวรูนะตัวหลงก็ไม่ใช่เป็นความผิดนะถ้าเราไปบัติธรรมแล้วมันจะต้องไม่หลงไปนั่นเป็นความเข้าใจผิดแล้ว แต่เมื่อใดที่เขาหลงไปเรากลับมารู้นั่นแหละหลงไปกลับมารู้นี่แหละคือสตินะเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเรารู้ว่าขณะนี้คิดไปแล้วอันนั้นคือคือสติแล้วมีความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าขณะนี้กำลังโกรธอันนั้นก็เป็นสติมีความรักเกิดขึ้นรู้ว่าขณะนี้กาลังรักนั่นแหละคือสตินะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ได้ไปห้ามว่าต้องไม่เกิดสภาวะใดๆไม่เกิดความรักความชังไม่เกิดความคิดอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นการกดข่ม กฎาคมแล้วเป็นสมรถะเพราะาเราไปเบียดเบียนไปแทรกแซงให้ก็เป็นตามที่เราต้องการอแต่ว่าวิปัสสนาหรือ่าปัญญาก็คือเรารู้ไปตามความเป็นจริงที่ว่าเราบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นเช่นนั้นของเขาเองนะเมื่อเราเห็นแล้วเราจะเห็นว่าเราเออมันมันเป็นสิ่งเราบังคับเขาไม่ได้นะอความคิดเราก็ <c oughs> จริง <c oughs> ความคิดในเราบังคับเขาไม่ได้หรอกนะจะให้เขาหยุดคิดสักห้านาทีก็ยังไม่ได้เลยนะ หรือว่าจะให้เขาคิดน้อยก็ไม่ได้นะ أ. หรือให้เขารู้ตลอดเวลาเขาก็ไม่ได้นะหรือแม้แต่ product, 谢谢 well. ในอีกนาทีหนึ่งข้างหน้าจะคิดอะไรก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะคิดอะไรนะอันนี้คือสภาวะตามความจริงของจิตใจหรือของความคิดนั่นเองเราไม่ต้องไปห้ามว่อตอนนี้ต้องไม่คิดนะอตอนนี้ต้องไปบัติธรรมหรือต้องคิดแต่เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีไม่คิดอันนี้เราไปบังคับเขาแล้วนะแต่ถ้าเขาคิดเรื่องไม่ดีเรารู้ทันไหมอันนี้สําคัญกว่าใช่ไหม อกลับมานี่แห la, <S <S ละเมื่อเรารู้ทันเขาจะกลับมาได้เองนะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ทันเนี่ยเขาจะไม่คิดไกลอเขาจะอยู่ใกล้เขาจะกลับไปแล้วก็กลับเ <c oughs> พราะฉะนั้นการบัติธรรมนี้มันไม่ได้มีอะไรไกล <S <S เพียงแต่ว่าเขาไปแล้วเขากลับมาอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองนะนี่แหละคือการที่เขาไปแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะนั้นเราก็จึงต้องอยู่กับปัจจุบัน บ, บ่อยๆอาศัยร่างกายเป็นการเคลื่อนไหวอาศัยสิ่งนี้เป็นสิ่งง่ายๆที่เราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้ไม่ยากเนาะ ต่อมาก็ให้ให้เรารู้ทันจิตใจของเรานะจิตใจของเราเนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสําคัญเพราะจิตใจเราเนี่ยมันจะวิ่งมันจะแล่นไปในอารมณ์ต่างๆได้เร็วมากนะบางครั้งในเราโกรธเราจะรู้ไม่ทันนะเราเข้าไปในความโกรธแล้วนะแล้ว เ, เราคอยรู้ทันว่าเรากําลังโกรธหรือมันอาจจะสายไปนะบางทีก็ไปด่าเขากลับแล้วนะหรือบางทีก็ไปทําร้ายเขาบางคนถึงกับไปฆ่าก็มีนะเราคอยรู้ทันว่าขณะนี้กำลังโกรธ ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราเราช้าไปนิดนึงนะอารมณ์เราเนี่ยมันจะเกาะใจเราไม่ได้เลยถ้าเรารู้ทันได้เร็วนะมันจะยกตัวอย่างเช่นอาสมัยก่อนจะมีกิโลที่อประมาณหกสิบกิโลนะซึ่งมันจะช่างของหนักๆได้นะบางทีเราเอาหินก้อนเครื่องไปวางบนกิโลเข็มมันจะไม่กระดิกเลยนะเพราะว่าน้ําหนักมันมันมันมันไม่สามารถที่จะทําให้มันกระดิกได้ทั้งทั้งนี้มันก็มีน้ําหนักอยู่ แต่ปัจจุบันนี้จะมีกิโลดิจิตอนซึ่งแม้แต่ขนนกเบาๆไปวางไว้มันก็จะแสดงน้าหนักแล้วนะการที่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมนั้นก็เหมือนกับกิโลหกสิกิโลนะเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจเรานะเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องรอเขาเกิดมากๆก่อนเราค่อยรู้ทันว่าขณะนี้มีความโกรธซึ่งมันอาจจะช้าเกินไปนหรือความพอใจหรือความไม่พอใจต้องเกิดขึ้นแรงๆก่อนค่อยรู้ทัน นะก็คือน้ำหนักก้อนหินต้องใหญ่พอสมควรมันยจะัจะกระดิกนะอันนั้นมันเรียกว่าร <c oughs> อให้ความทุกข์มาก่อกลุมในใจเราแล้วเราเคยรู้ทันนะซึ่งตรงนั้นมันจะนําความทุกข์มาให้ ใ, ใจเราแล้วแล้วเราเ จ, ออจาะเจียวตรงนั้นได้ยากไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะอความรักความชางังหรือแม้แต่ความเหงาสนะิ่งนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะเมื่อมันเกาะในอารมณ์เราแล้วนะมันก็จะออกยากนะมันก็จะออกไปช้านะ มันจะเกาะให้เราเน่ยจิตเรามีความทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ถ้าจิตของเราสามารถเป็นกิโลดิจิตอนได้เมื่อมีใครมาด่าเราเราจะสังเกตได้ไวขึ้นขณะนี้เรากำลังมีความไม่พอใจอมีความหงุดหงิดมีความขัดเคืองเล็กน้อยอจากการกระทําบางคนเรานั้นเราจะรู้ทัน <c oughs> เมื่อเรารู้ทันแล้วเราจะออกได้เร็วเพราะจิตที่เข้าไปรู้ทันนั่นแหละมันจะเป็นการดับการหยุดการปรุงแต่งต่อมันจะไม่เข้าถึงความโกรธ พอเราสามารถที่จะสังเกตจิตของเราได้ไวขึ้นแม้แต่การกระดิกนิดนึงเรารู้ล้วขณะนี้กำลังมีอะไรเกิดขึ้นในใจเรามีความไม่พอใจมีความพอใจมีความรักความชังความเกลียดความกลัวความมิจฉาเกิดขึ้นเราจะรู้รู้ทันได้ไวนะมันจะกระดิกเล็กๆน้อยๆกับเพิ่มเล็กน้อยเราก็รู้ทันนะตรงนี้เป็นอาการที่มันจิตมันไวเมื่อจิตมันไวแล้วมันจะจําสภาวะทำตรงนี้ได้แล้วมันจะมันจะเริ่มปล่อยเริ่มมายึดติดเริ่มจะคลายออกจาก สิ่งเหล่านั้นเพราะมันรู้แล้วว่านั่นคือความทุกข์นะตรงนี้มันมันจะทําให้เราออกจากความทุกข์ได้เร็วแล้วก็อะจะก่อนในใจเราไม่ได้นานนะความทุกข์เราจะน้อยลงนะในที่สุดเราจะเห็นสภาวะที่ทําที่ว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเราจะเห็นความจริงว่าเออความโกรธเข้ามาแล้วก็ไปนะเขาไม่ได้อยู่กับใจเรานานหรอกสมัยก่อนเราคิดว่าเราโกรธทั้งวันนะหรือว่าเราเป็นผู้โกรธนะแต่พอเราเห็นความโกรธว่า เ, ออเขาเข้ามาแล้วก็ไป เขาไม่ได้อยู่กับเรานานเราจะเห็นความจริงในสภาวะธรรมที่ว่าเป็นความไม่เที่ยงเป็นความทุกข์เป็นนักตานะตรงนี้มันจะค่อยๆเห็นในตรงนี้เข้ามานะคือทุกๆลมนี่มันมันจะมาแล้วก็ไปทั้งหมดเพีย <c> ง <oughs> แต่ว่าเราเ <c oughs> มื่อเราไม่ให้ค่าเขาแล้วเขาก็จะไปอย่างรวดเร็วนะแต่ถ้าเราไปคิดว่าเออเราโกรธนะมันมันจะอยู่กับเรานานนะการที่มันมีตัวเราอยู่นั่นตัวคําว่าตัวเรานะมันจะเป็นความยึดติด เป็นความยึดถือเป็นอุทาหรณซึ่งตรงนี้มันจะนําให้เรามีพบมีชาติก็คือเราจะต้องไปจมในมมอารมณ์แบบนั้นนานา น, นะแต่เมื่อไม่มไ ม, ม่ไม่มีตัวเรานะตรงนี้มันจะออกจากอารมณ์ต่างได้เร็วขึ้นนะมันจึงต้องมีการสังเกตให้ไวนะแล้วมันต้องอาศัยปัญญาช่วยด้วยนะปัญญาช่วยก็คือว่าถ้าหากว่าความกบเป็นของเราเขาก็ต้องอยู่กับเราตลอดกาลนานนะแต่ว่าเขามาแล้วเขาก็ไป เนี่ยเราจะเห็นภาวะที่เขาเกิดแล้วก็ดับในตรงนี้เมื่อเราเห็นตรงนี้บ่อยนะมันต้องอสสาศัยการเห็นบ่อยๆล้วจิตจะค่อยๆคล า, ายความยึดติดว่าเออนั่นนั่นเราโกรธนันเรารักนันเราชังเพราะลูกยางมันมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เรานะเพราะมันเป็นของเรามันจะต้องอยู่เรานานนะมันจะเห็นแต่ความคิดนะความคิดที่เราบังคับเข้าไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวเขาก็คิดเดี๋ยวเขาก็คิดถ้าเป็นของเรานะมันก็ต้องบังคับได้ใช่ไหมเออต้องอยาคิดนะต้องให้เขาดีนะเราก็เห็นว่ามันก็บังคับไม่ได้ พวกนี้คือสภาวะธรรมที่ทําให้เราออกจากประธานต่างๆในการยึดติดว่ามันเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรามันจะเป็นการประกอบไปด้วยปัญญาที่ว่ามันเห็นปัจจัยลักษณนะเพราะรักมีที่เราสวดในบทบทหลังที่บอกว่าสัพเพสังขารานิจจารนะสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายมีความทุกข์เป็นธรรมดาสัพเพธรมมานตตาธรรมทั้งหลายเป็นความไม่ใช่ตัวไม่ตน มันก็จะกลับมาเห็นพระไตรลักษณ์ในตรงนี้นะคือเห็นพระว่ที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ตัวไม่ตนตรงนี้มันจะออกจากความยึดติดได้อย่างสามารถที่จะออกจากความยึดติดได้อย่างถาวรนะแต่การที่เราจะเข้าสู่การที่เราออกจากความที่เราความยึดติดอย่างถาวรนั้นมันเป็นสิ่งเราต้องเห็นบ่อยๆนะไม่ใช่เราฟังครั้งสองครั้งหรือว่าเห็นครั้งสองครั้งมันก็จะออกจากตรงนี้ได้ตรงนั้นมันไม่ใช่นะเพราะใจมันยังมีความยึดถือ ต่างๆอีกมากมายเราจะเหน็นวันๆนึงเรากระทบลมมากมายแล้วเราก็ไปติดอารมต่างๆเหล่านั้นมากมายเพราะว่าใจมันยังไม่ปล่อยจริงๆมันต้องกลับมาเห็นความจริงว่าใจนี่แหละมันเป็นตัวทุกข์นะตราบใดที่ใจมันเรายังมาคับเข้าไม่ได้เขายังมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าใจมันจะโลดแล่นไปในอรมต่างๆทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างในทางความคิดต่างๆบ้างตรงนี้คือประตูที่เขาจะนําความทุกข์มาให้เรา แต่ถ้าเราสามารถที่จะสังเกตจิตใจได้ไวขึ้นเรื่อยๆได้ไวขึ้นเรื่อยๆนะจากการที่เขาจะนำความทุกข์จากประตูทั้ง6มาสู่จิตใจเราเนี่ยมันจะน้อยลงนะเราจะไม่ไปเพลิดเพลินในอรมต่างๆนะพระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าดูความพิสูจทั้งหลายผู้ใดที่เพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพัทธมลผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินอยู่ในความทุกข์ผู้ใดเเพลิดเพลินในความทุกข์ผู้นั้นไม่อาจจะพ้นจากความทุกข์ไปได้นะ เพราะนั้นการที่เราเพลิดเพลินในทางตาก็ดีในทางหูก็ดีนะอันนั้นมันมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราต้องรู้ให้ทันนะเราจะห้ามเขาไม่เพลิดเพลินไม่ได้หรอกแต่ว่าเราให้เขาสั้นลงได้ไหมใช่ไหมบางทีเราจะเพลิดเพลินไปในสิ่งเหล่าเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะแล้วเร า, าก็ไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นนะแต่ถ้าสามารถที่จะรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะรู้ทันในใจเรานี่แหละไม่ต้องไปรู้ที่ไหนนะเราจะสังเกตใจเราได้ไวขึ้นนะ แล้วก็มันจะตรงที่พระเจ้าเลยทรงตัดว่าอจิตมีราคาก็รู้มีราคะาจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีราคาก็รู้ไม่มีราคาจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะก็คือจิตเป็นอย่างไรก็ให้รู้ทันจิตเช่นนั้นนะพอเรารู้ทันจิตบ่อยๆนะมันมันจะเริ่มที่จะเกิดการปล่อยการวางได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ทันนั่นแหะมันมาจากอรายนะทั้งหกนั่นเองนะ แล้วเราก็สามารถสังเกตจิตของเราได้ให้ไวเท่านั้นเองนะตรงเนี้ถ้าเราสังเกตกายเราได้เราจะสังเกตจิตเราได้อ่ะมันที่หลวงพ่อคำเก็นบอกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนะเพราะเรามาสังเกตกายเรานะเมื่อเราจิตมีฐานที่อยู่แล้วนะก็คือฐานที่อยู่ที่เรกว่าเป็นวิหารธรรมก็คือให้จิตมีที่อยู่นะจิตมันมีที่อยู่ในฐานกายเนี่ยเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นก็จะสังเกตได้เร็วนะ พอเราอยู่กับกายปุ๊บเนี่ยเขาคิดปุ๊บเราจะรู้ทันเลยเพราะว่าเขาหลุดจากปัจจุบันธรรมไปนะตรงเนี้เราจะสังเกตได้ไวขึ้นนะเพราะเราอยู่กับฐานกายนะเขามีความโกรธขึ้นเราจะรู้ทันได้ไวนะขณะนี้กําลังโกรธแล้วมันจะสามารถที่จะตัดกลับมาได้สู่ฐานกายมันจะดับไปในความโกรธเหล่านั้นนะเพราะน้อาศัยฐานกายนี่เป็นเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นเครื่องรู้โดยอาศัยการเคลื่อนไหวต่างๆในขั้นแรกนะอาศัยตรงเนี้ยเมื่อเมื่อมีฐานกายเป็นหลักแล้วนะจิตมันแวบไปเนี่ย มันจะเริ่มตัดได้ไวขึ้นเพราะว่ามันหลุดจากปัจจุบันแล้วเราจะกลับมาฐานกายได้ครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าเราไม่อยู่ฐานกายมันจะไหลไปยาวไหลไปบ่อยๆนะมันก็จะกลับมาช้าลงนะแต่เมื่อจิตเรามีกําลังแล้วนะมีกําลังแล้วถึงเราไม่ได้อยู่กฐานกายเมื่อเขามีกําลังแล้วเขาจะรู้ทันเขาเองเพราะว่าจิตเป็นสภาวะที่เขาตื่นรู้ได้นะเขสามารถที่จะตื่นรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆได้แล้วเนี่ยเขาก็สามารถรู้ทันขณะนี้กําลังมีความคิด มีความโกรธมีความรักความชังเมื่อก็รู้ทันก็จะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดนะตรงนี้มันจะเดินไปตามลาดับนะของเรื่องกายเรื่องจิตและเรื่องธรรมนะมันจะเป็นภาวะที่เราทําให้ความทุกข์เราน้อยลงชีวิตเราจะรู้สึกว่าเราอาจจะมีความสุขมากขึ้นนะมันเป็นเรื่องที่ว่าจิตใจมาเริ่มปล่อยเริ่มวางแล้วเริ่มไม่ยึดติดแบบสมัยก่อนนะสมัยก่อนเราอาจจะมีคําพูดอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราฟังแล้วเรารู้สึกเราไม่พอใจ เราจะแสดงในตรงนั้นเราจะมีความทุกข์นะแต่ในขณะเดียวถ้าต่อมาเมื่อเราเข้าใจธรรมะในตรงนี้แล้วเราจะได้ยินคําพูดเหมือนกันชนิดเดียวกันแต่เราจะรู้สึกว่ามันมันเบาขึ้นมันเฉยเฉยขึ้นมันไม่ยึดติดมากขึ้นนี่นี่คือสแสดงถึงพัฒ น, นาการในจิตเราที่ เ, าเขาเริ่มปล่อยเริ่มวางแล้วนะเมื่อเขาเริ่มปล่อยเริ่มวางเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีความเมตตามากขึ้นเขาจะไม่ค่อยยึดติดอะไรมากขึ้นเขาจะช่างมันกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น นะตรงนี้นั่นแหละจิตเราจะมีความทุกข์น้อยลงนะเพราะนั้นโดยอาชีพของพวกเราอาจจะเป็นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนรอบข้างผู้ที่จะมาใช้บริการของเรานะพวกคนเรานี้เขามีความทุกข์มาอยู่แล้วนะเราถ้าเรามีเมตตาเราจะรู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่นะสามารถช่วยคนวยความทุกข์ได้เพราะว่าเขามีความทุกข์ในทางกายและทางใจนะเขาจึงมาหาเรานะ ถ้าเขาไม่มีความทุกข์เ้าก็คงไม่มาหา น, ะนอกจากว่าเขาทุกข์แล้วก็ญาติพี่น้องเขาก็มีความทุกข์อีกนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีเมตตาในการช่วยเขาให้ออกจากความทุกข์นี่แหละอาจจะเป็นการช่วยตัวคนไข้เองแล้วก็คนแะญาติพี่น้องของเขาให้ออกจากความทุกข์ในตรงนั้นนะนี่คือเป็นบุญเป็นบุญบุญนนะเพราะว่าตรงเนี้สามารถที่จะ <c oughs> ทําให้เราจิตเราผ่องใสและเรามีความรักในงานที่เราทํา นะเราจะมีความสุขกับงานที่เราทำนะแต่ถ้าใดเมื่อใดที่จิตเราไม่เข้าถึงตรงนี้จิตที่ขาดจิตที่ขาดความเมตตาจิตที่ขาดความเอาใจใส่อย่างแท้จริงเราจะรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นความทุกข์เป็นการทรมานในการงานนั้นนะซึ่งงานนั้นจะทําให้เราเนี่ยมันไม่เจริญก้าวหน้าทั้งในชีวิตประจําวันในอาชีพการงานแล้วก็จิตใจเราก็จะมีความทุกขนะ์เพียงแต่เราเปลี่ยนจิตนิดนึงให้มีความเมตตา โดยการที่เห็นความจริงในตรงนี้ว่าทุกคนมีความทุกข์ทั้งนั้นทั้งกายและใจนะถ้าเขาไม่มีความทุกข์เขาก็ไม่มาหาเรานะเพราะนั้นเราเราช่วยด้วยจิตเมตตาให้เขาเออกจากความทุกข์อย่างแท้จริงนั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นกับจิตของเราแล้วก็จะยกจิตเราให้สูงขึ้นแล้นี่แหละเป็นการที่เราว่าพระเจ้าทรงตัดว่าให้ทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ะ ม, มาเถิดก็คือเราได้ทําประโยชน์ตัวเราเองด้วย แล้วได้ทำประโยชน์ของผู้อื่นด้วยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรกว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าในชีวิตแล้วเป็นความไม่ประมาทอย่างแท้จริงในชีวิตเราเพราะนั้นท้ายที่สุดนี้ก็ขอราธนาบารมีคุณพระตาไตน้อมนำทุกท่านเจริญด้วยเสียงส ต, ติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความบนทุกได้โดยเร็วพนันทุกท่านเทอญ